คนนักปฏิบัติธรรมนะก็จะมีความสงสัยความไม่แน่ใจหรือความลังเลเกิดขึ้นเยอะมากอนะาตมานี่ก็เป็นคนนึ่นะที่ที่รู้สึกอย่างนั้นแนละ้วนกะนะ็คิดว่าหลายคนก็ก็จะประมาณนะนะเริ่มจนัแตลสงสัยนะเรา ปฏิบัติธรรมทำไมอะไรนะปฏิบาาัติธรรมจะเป็นกับชีวิตของเราจีิงหรือเปล่านะปฏิบัติธรรมเราปฏิบัติปฏิบัติธรรมเพื่ออะไรนะปฏิบัติธรรมเพื่อจะได้อะไรนะออจะปฏิบัติธรรมแบบไหนนะเถึงจะถูกแบบไหนถึงจะดีนะแบบไหนทุกจะดีกับเรานะ นะมันก็เกิดความสงสัยแยกๆมากมายนะปฏิบัติทำไปก็เเราทำถูกหรือเปล่าเวลาทำผิดเนะ่ยปฏิบัติทำแล้วเดีวเราเร า, เราถึงไหนแล้วเนะนะีเราได้ขั้นไหนแล้วนะหรือเวลาปฏิบัติทำแบบวิธีนี้นะที่แปลขึ้นมาอีกเท่านหร่ 4, มีได้เลยวิธีนี้นะถ้าทำแบบนั่งหลับตาก็อาจจะไม่ค่อ้สนใจนะเพราะว่าเห็นคนทั่วไปเขาก็ทำครูบาอาจารย์หลายๆทมันกนะ็นั่งนั่งนะิ่งๆหยิ่งปฏิบัติธรรมแบบเคลื่อนไหวมันจะมีจริงหรือเปล่าได้ผลจริงหรือเปล่าถึงที่สุดเห็นทุกที่จริงหรือเปล่านะ คำถามวันนี้นนะทําไมก็เคยสงสัยแล้วก็หลายท่านเองก็เคยถามหรือปฏิบัติทําไปนะทําไมมันไม่สงบเลยเนะี่ยเห็นแต่ความคิดเนะี่ยไม่มีแต่ความฟุ้งซ่านทำไมปฏิบัติธรรไม่สงบเลยถูกหรืปเปล่านะพอปฏิบัติธรามไปเรื่อยๆนะก็ ให้ทำไมเห็นแต่กิเลสทำไมเห็นแต่เดี๋ยวใจก็อยากอีกแล้วเดีวใจก็ไม่พอใจอีกแล้วเ่ี๋ยวใจก็นู่นนี่นะทำไมเรามีกิเลสเยะเกินเกินนะทำไมเราเป็นคนไม่ดีแบบนั้นอย่างนี้นะก็จะเริมไม่แน่ใจว่าเราปฏิบัติธรรมมันใช่หรือไม่ใช่เนะี่ยหรือบางคนก็ดังเลยว่า จะไปต่อดีหรือเปล่า น, น่ามันมันรู้สึกเห็นเห็นอะไรที่ไม่ดีกับตัวเองเยอะเกินไม่อยากเห็นไม่อยากดูเป็นมากตอนนั้นหรือมีหไหมบางทีเปรนเวาพักแล้วเหมือนเป็นทางแยกจะเดินไปต่อดีหรือเปล่าหรือว่าจะพอแค่นี้กลับไปแบบเดินิดีกว่าเพราะมันมันเหมือนบางที เกดก็เกดได้ความสุขทางโลกหลยอย่างนะอืมันดีก็รู้สึกว่ามันดังเลยว่าระหว่างความสุขทางโลกที่ที่เราได้จากการกินได้จากการเที่ยวได้จากการแต่งตัวได้จากการท็อปปิ้งได้จากการอะไรหลายอย่างนะอมันจะได้ ก, กับอการปฏิบัติธรรมนี่มันจะ พื่งตัวเปล่านะ็อยจะเกิดความดังมีหรือบางทีบาคนปฏิบัติได้อารมณ์นะมันเกิดปิติขึ้นมาก็อืมก็เสียดายนะถ้าปีติมันหายไปหรือปฏิบัติถ้าเกิดความสงบขึ้นมานก็อะไรอาวบความสงบหรือบางทีปฏิบัติแล้ว นะเกิดความรู้อะไรบางอย่างบางทีก็ไปรู้นอกตัวก็นะเสียดายก็นะ อ, อยากจะไปรู้เยอนะๆไม่อยากกลับมารู้สึกตัวหรืนะอบางคนเห็นนักปฏิบัติธรรมบางคนทำไมเขาดูไม่ค่อยปกติก็ <c oughs> ออต้องกลัวว่าเราจะเป็นแบบนั้นไหมนะนะ หรือมองคลปฏิบัติทําแล้วเราจะต้องมีตัวบาอาจารย์ตลอดไหมนะเดี๋ยวเราจะเป็นแบบนั้นหรือว่ากลัวเราจะทําไม่ถูกกลัวเราจะทําไม่ดีนะมีไหมมาก็เรียกเรียกไม่หมดนะก็พูดไปเท่าที่จะเลืกได้แต่ไอ้ความคําถามพวกนี้ยความรู้อะไรพวกนี้มันถาดเข้ามาในในขณะที่ ที่เราปฏิบัติรมเยอะมากตัวเองนะแล้วก็ที่ได้ฟังคนอื่นก็ถามนะเยอนมากค้อที่จริงก็ไม่มีใครจะให้คําตอบได้กระจาดแค่เท่ากับเราต้องได้คําตอบด้วยตัวของเราเองนะหลายคนก็ถามเพื่ออยากจะรู้แหลายคนก็ถามเพื่ออยากจะให้แน่ใจว่า ไอติณที่สงสัยเนะี่ยถ้าปูไปาทานรับรองจะได้จะได้เคลียหรือบางคนก็อยากจะดูร่วงหน้าไว้เผื่อเจอรับพาว่าทันไปได้จะได้แก้ได้ <c oughs> มันก็ดีในระดับหนึ่ง <c oughs> ดีในระระดับหนึ่งแต่มันก็ไม่มดสงสัยในที่เดียวหรอกตอนเมื่อเรานะตอนเมื่อเรา แน่ใจในตัวของเราเองว่าคําตอบที่มันเกิดขึ้นในการปฏิบัติธรรมเนี่ยออมันจะรู้เองนะบางทีมันจะรู้ไม่ใช่เป็นคําตอบที่เหมือนๆมีคําถามเนาะถ้าเราเขียนเขียนตอบได้แล้วตอบแบบเน้นะคําถามข้อนี้ตอบว่าอย่างไรแต่มันเป็ น, ปนมันเป็นแค่เพของความรู้สึกหมดความสงสัยครับบางทีมันไม่ได้ แต่ต้องเป็นคําตอบที่เขียนะอธิบายหดยด้วยได้แต่เป็นความรู้สึกเหมือนอหมดความสงสัยหมดความสงสัยในคำถามในสิ่งต่างๆนะั้นคือคำตอบมันก็คือคําตอบที่ไม่มีคําตอบคําตอบที่ทําให้เกิดความสงสัยนะนะพอเราปฏิบัติทำไปเนะี่ยมันจะเกิด กัว่าที่เห็นเห็นอะไรนะถ้าเราสงสัยมันจะกลับมาเห็นไอตัวความสงสัยไม่เห็นความสงสัยเกิดขึ้นอนะ่ะเราจะรู้สึกแบบนี่มันหลงไปนยมันหลงไปนะนลปนะ ห, ลหลายอย่างแหละนะมันตั้งแต่ยา ก, ยกนะเวลาเราปฏิบัติเวราอยากจะ อยากจะรู้อยากจะเข้าใจนะไอ้พวกนี้ก็คือความสงสัยที่เรามันเกิดขึ้นมาพอเราเห็นว่าใจมันอยากจะรู้ใจมันอยากจะเข้าใจนะใจมันสงสัยว่าทูก ค, คิดนะในขณะที่เราสงสัยในขณะที่เราคิดหาคาตอบในขณะที่เราคิดอยากจะไปถามคนนั้นคนนี้นะ ถ้าเมื่อไรที่เราเห็นกระบวนการพิจัยมันคิดนะเห็นกระบวนการพิจใจมันคิดเนียมันมามันจะย้อนกลับมาต้นต่อที่ใจมันใจมันส่งออกไปนส่งออกไปเป็นความสงสัยเป็นคำถามเนี่ยพอย้อนกลับมาตนี้เนี่ยมันหยุดนะมันหยุดไม่ได้หยุดนะคือแต่เราห้ามไม่ได้หรอกมันอาจจะเกิดขึ้นกับเราเกิดขึ้น ในบางขณะนะแต่พอเรากลับมาเห็นมันนะมันจะไม่ได้หยุดไม่ได้หยุดปรุงแต่งไม่ได้หยุดสงสัยนะคล้ายๆเหมือนที่หลวงปู่ดูลนะท่านพูดไว้นะ ก, ก็แกล้ก็ฟังไม่เข้าใจหรอกฟังดูแต่มันก็ดูดีนะแต่มันก็ยากที่จะเข้าใจอย่างที่หลวงปู่ดูลนตะ้องบอกว่าคิดเท่าไหร่ก็มีรู้นะต่อเมื่อหยุดคิดถึงจะรู้ แต่ต้องอาศัยตัวคิดนั่นแหละถึงจะรู้ประโยชแรกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้เนะี่ยบางกีเราก็ถ้าเป็นคนทางโลกสนให ญ, ญ่ก็เรามักใช้ความคิดเพื่อจะรู้นะคิดคิดวิเคราะห์คิดให้ได้คำตอบแต่หลวงปู่ต้งบอกเลยว่ากระบวนการปฏิบัติธรรมมันต่างจากกระบวนการทางโลกในตางที่เราจะคิดหาคำตอบเนี่ยต้งบอกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ ปฏิบัติธรรมต้องเหมือนกันนะเราจะไปคิดเข้าใจธรรมะคิดเท่าไหร่ก็ม่รู้ธรรมะ่อเมื่อหยุดคิดน่ะถึงจะรู้อนมาว่าหยุดคิดก็คือน่ะพอพอเรากลับมาเห็นว่าใจมันคิดมันจะหยุดคิดอย่ที่ประยชน์ที่สาเนี่ยองบูบอกว่าต้องมาใส่การคิดน่ะมันถึงจะรู้ก็คือน่ะ คืออาศัยว่าเราเห็นเห็นใจมันเกิดปีกิดนะมันจะเกิดความรู้ตัวมันจะหยุดความคิดถ้าจะพูดแบบเรียงสภาวะธรรมคือเดมือเราคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้นะคือสภาวะเรื่องแรกคิดเท่าไหร่ก็ไม่รู้ต่อเนืนั่นแหละเราเห็นความคิดเราเห็นความคิดเราเกิดเรืเกิดความรู้ มันเกิดความรู้นะมันก็เลยหยุดความคิดนั่นมันเป็นสภาวะที่มันต่อเนื่องกันเลยนะฟังตอนตแรกก็ไม่เข้าใจนะแต่ก็ปฏิบัติมันรู้สึกอย่างนั้นนะนะแต่จริงตอนที่รู้สึกจรเฉยมันกไ็ไม่ได้พูดแบบไม่นนรักนะมันก็พูดอธิบายทีเฉยนะแต่คำพูดจริงจรมันก็ไม่ใช่สภาวะธรรมในขณะที่ที่รู้หรือหยุดความสงสัยนะนะ่ ที่จีิความสงสัยต่างๆมันเกิดขึ้นมานะอืบางทีไม่ต้องมีคําตอบก็ได้เราเพียงแค่รู้นะรู้ทันว่าใจมันสงสัยนยรู้ทันในหลายอย่าง น, นนะแต่ใหม่ๆบางคนก็สงสัยในนั่นนี่เยอะมากมายก็ต้องพิสูจน์เขาเองเดียวพิสูจน์ตัวเองนะเหมือนบางที คำอธิบายจะกครบาอาจารย์หรือจากห น, นังสือนะบางทีมันก็อธิบายเฉยๆแต่มันไม่เหมือนกับเราสัมผัสได้กับสภาวะธรรมสมมตินะสมมติใบสมมตใบไม้ทุอย่างอย่างเช่นเอาใบสะระแหน่ใบสะระแหน่นน ม, มัดลมรอง จอธิบายใบสาแเณมมีรสชาติแบบไหนต้าซ้าแบบไหนซ้าแบบโซดาหอาเนี่าบอกอธิบายยากนะอธิบายซ้าหรือเพ็มนิดหน่อยหน่อยนั่นนี่แต่มาว่าจะอธิบายรสชาติสารแน่ให้คนที่ไม่เคย ให้กระลังนะที่ไม่ที่ไม่เคยกินน ะ, ะหรือให้เด็กที่ไม่เคยทานเะนี่ยอธิบายรถมันเป็นแบบไหนเนยะเพราะว่ายากไม่เข้าใจแต่ถ้าคนที่เคยกินมาแล้วเ อ, ออธิบายขบอกพอพูดว่าสารเเนเขาก็เลือรกได้ว่มามันรสชาติประมาณแบบไหนแต่ถ้าคนไม่เคยกินนะไม่เคยเห็นต่ออธิบายไม่เสร็จนะ สารเณรต้นชาติเป็นแบบนั้นแบบนี้นะเขาก็เขาก็อาจจะคิดว่าเป็นแบบที่เขาเคยมันซาแบบโซดาซาแบบนั้นแบบนี้นะนอาจจะคิดอย่างนั้นได้ธรรมะก็เหมือนกันนะแต่อาจอธิบายธรรมะบางทีถ้าคนไม่เข้าใจกนะันเขาก็จะไปตีความให้มันเข้ากับสี่ที่เขารู้ซึ่งอาจจะถูกหรือไม่ถูกก็แล้วแต่ประสบการณ์ของเขาแต่สารเณรนะ อาทีเราไม่ต้องอธิบายมากถ้ามีอยในมือกินเคี้ยวดูซิเคียงดูซินั่นแหละเขาจะรู้ได้รถในที่ทิ้งมาสัมผัสเองว่ารถแต่ะแหนเป็นแบบไหพอเขาเคี้ยวเข้าไปกินเข้าไปจาเป็นต้องอธิบายไหมอธิบายจำเป็นไหมนะเพราะที่จริง การพยายามจะอธิบายในสิ่งที่กำลังสัมผัสอยู่นะมันก็ยังแบบใช้ใช้ความที่จะประสบการณ์ของเรานะมันบอกว่าซานะบอกว่านั่นนี่นะมันก็บอกได้แต่จริงถ้าจะตรงที่สุดโดยสมมุตินะรถซาดแนกไปแบบไหนก็เป็นแบบสาดแน่นะ อถ้าไปบอกว่าเปรี้ยวหวานมันเค็มเค้นใต้ต่างๆเนี่ยมันคือเราไปแยกนะเหมัอนเราแยกสีนะเหมือนเราบอกทองป้ามัสีอะไรตอนนี้ย น, นั้นเราบอกสีดำคำว่าสีดำในทองป้าตอนนี้กับสีดำที่เมื่อเรามาเพจไวแล้วมีคนไปฟังเมือ่อวันพรุ่งนี้สมัย น, นั้น เขาต้องไม่เห็นสีดำในขนานี้นแต่มนันอาจจะเป็นสีดำแบบดำแบบสีพาที่เป็นสีดำก็ได้มันไม่ใช่กระถาว่าจริงแต่ถ้าเราพูดตรงๆนะสารแน่กก็คือก็คือก็สารแน่ในใบนะที่เราได้สัมผัหรือสีดำก็คือสีดำตอนนั้นนะบาะทีไม่ต้องอธิบายนะนะนะอธิบายก็ให้มัน แต่ชับให้มันตรงที่สุดมันพอแต่จริงก็คือสภาวะที่อยากให้เราได้สัมผัสเองเมื่อมันสัมผัสเองความสงสัยมันก็หมดไปไม่จำเป็ น, ปนต้องต้องได้รับคำอธิบายก็ได้เพราะเราจะรู้สึกได้ด้วยตัวของเราเองว่าสภาวะนั้นนั้นมันเป็นแบบไหนแล้วมันก็จะหมดความสงสัยหมดความนั่งเลยหมด ไปหมดคำถามลงไปนะในขนาดนั้นนะอันนี้คือการเจอสตินะมันจะได้คําตอบหลวงพ่อเกียนบอกว่าปฏิบการทำไปนะไม่มีคําถาม ม, มีแต่คาตอบตัวเราเองตอบตัวเราเองคือตัว น, น, นี้มันจะได้มันจะได้คําตอบด้วยตัวของเราเองอาจจะคำตอบนี้อาจจะไม่ใช่เป็นตัวหนังสือหรือคำพูด แต่มันจะรู้สึกได้เมื่อเรากินสะแลนกเราก็รู้สึกได้เลยถึ ง, ยงถึ ง, ถงก็สะแลนกเมื่อเรารู้สึกตัวเองนะเราก็จะสัมผัสได้กับสภาวะการหยุดควนะามคิดนะสัมผัสได้กับการที่เราเห็นนะเห็นร่างกายนะนะเห็นร่างกายเคลื่อนไหวนารู้สึกเป็นแบบไหนนะเห็นใจนีกคิดนารู้สึกเป็นแบบไหนนะเห็นสภาวะ ปกติเนี่ยเป็นแบบไหนสภาวะความมีทุกข์เป็นแบบไหนไเ น, บบหนี่ยเราจะสัมผัสได้นะน่ยรองนี่ลองใช้เนี่ยเอาใช้การสัมผัสสัมผัส ด, ด, ดูนะเวลาปฏิบัติธรรมพลิกมือขึ้นเรารู้สึกตัวผมพอเลี่ยนสอนแค่นี้นะไม่ต้องไปอะไรมากะพลิกมือขึ้นรู้สึกยกมือขึ้นรู้สึ ก, กนกมือวางลงก็รู้สึกนะไม่ต้องไป บาทีไม่ต้องไปพูดต่ออะไร้นะว่าเมื่อพลิกมือขึ้นรู้สึกว่าพลิกมือขึ้นไม่ต้องถนานะพลิกมือขึ้นแล้วแค่รู้สึกจบแค่ความรู้สึกยกขึ้นก็ไม่ต้องพูดหรือว่าไปรู้สึกมากไปว่าเรายกมือขึ้นนะยกมือขึ้นให้รู้สึกแค่นั้นนะวางลงให้รู้สึกเดินก็เหมือนกันเดินรู้สึกเดินรู้สึก การู้สึกเหยียรรู้สึกไม่ต้องไปรู้สึกถึงการเหยียบไม่ต้องไปรู้สึกถึงการเดินนะไม่ต้องไปเอาเวลาละเอียดมากะหรือบางทีมันก็สงสัยจะรู้สึกที่ตรงไหนละเียดนะตรงไหนที่รู้สึกตรงนั้นแหละเข้าใจไหมบางทีเราจะไปหาไปรู้สึกที่ตรงไหนยกมือรู้สึกที่ตรงไหนตรงมือหรือตรงแขนอะไรนะนะอาทิตย์มือ เดินจะรู้สึกที่ตรงไหนต้งเท้าหรือขาหรือต้นตัวเนะี่ยมันสนใจมันรู้สึกที่ตรงไหนอันนั้นแหละคือความรู้สึกจริงจังนะแ ต, แต่เป็นความรู้สึกที่ไม่ใช่ว่าเราสนใจไปไปคอยรู้นะนะไม่ใช่ขนาที่เดินเมือเก้าวไปเราสนใจไปรออยู่ที่ฝ่าเท้ามันจะสัมผัสอันนั้นไม่ใช่นะแต่เมื่อมสาสัมผัสปุ๊บรู้สึกนะใช่หรือวามเคลื่อนปุ๊บ ร, รู้สึกอันนี้คือความรู้สึกนะเหมือนลงมันกระทบแบบเราไม่ต้องตั้งท้านะลงกระทบปุ๊บนะตัวตัวแล้วมันรู้สึกแบบนั้นเคลื่อนมาแตกปุ๊บนะเรารู้สึกมันคือสัมผัสที่เป็นปัจจุบันไม่ได้ไม่ได้คอยไม่ได้คอยรู้นะแต่การคอยรู้าบางทีมันจะทําให้เราคือเราสงใจโดยรอนะวหมนงทีตันมาหยุดพูดนะ บีคนก็อาจจะเราไม่จะพูดอะไรต่ออันนี้คือรอนะบานทีรอแต่ถ้าเราก็อยู่ของเราปกติจะเสียงมันก็เป็นเค้าหูเองมันก็ได้ยินเองไม่ต้องรอนะเหมือนเราใช้อินเทอร์เน็ตบังทีสัญญาณมันช้าใจเราก็รอนะเมื่อไหร่มันจะมานี่คือคือการที่เราใจมันเป็นรอสภาว่าทำก็เหมือนกันขนะที่เรา เนะี่ยพิดมือเนะี่ยก็ไม่ต้องไปรอรู้พิมพ์ป๊รู้ปั๊บยกปุก๊รู้ปั๊บทันทีนะหรือใจเราแวะออไปคิดเนะี่ยเราก็รู้เราก็เห็นมกกันนี่คือสภาวธรรมที่รู้นะก็คือว่าอะไรที่มันเด่นนะร่างกายส่วนไหนมันเด่นเรารู้สึกได้ที่ส่วนไหนนั่นแหละก็คือความรู้สึกตัวที่เราเข้าไปรู้หรือบางที บางขณะก็ไม่ได้เด่นที่ร่างกายมันไปนเด่นที่เวทนาบ้างนะไปเด่นที่อาการมองจิตบ้างอะไรนะเราก็รู้สึกดีตรงน่้นบางทีอย่างที่อุณวนันบางทีพอเราไปเห็นความรู้สึกอึดอัดใจนะมันก็คือความรู้สึกตัวแล้วก็มันก็ทำให้ใจกลับเป็นปกติไดนะ้หรือบางคนเห็นร่างกายรู้อึกอัดนะก็มันก็ทําให้ร่างกายผ่อนคลายขึ้น ใจเป็นปกติมากขึ้นคือจะบอกว่าอะไรมันเด่นนะก็เราก็รู้สึกที่ตรง น, นั้นแนหะสตินะสติไม่ใช่ต้องเป็นลำดับว่าต้องเริ่งกายต่อไปก็อเวทนาจิตรัตธรรมเป็นลำดับสเต็ปขนานันนะ้เพราะที่จริงสติมันก็คือสภาวะที่มันเป็นอนัตตาอย่างหนึง่งมันเป็นสภาวะทน่จังอย่างหนึง่งเราจะเป็นบังคับให้มันรู้ รู้แต่อย่างเดียวรู้แต่อย่างเดียวตลอดมันไม่ได้หรอกนะวันวันหนึ่งไงนะเราจะให้เรารู้แต่กายตลอดไม่ไม่สนใจเวทนาหรือความคิดเลยไม่ให้มันเกิดขึ้นมาเลยเป็นไปไม่ได้หรอกแต่ที่จริงมันก็มีฐานอย่างหนึ่งนะมีฐานกายไว้แต่เราก็จะเห็นื่อทีก็เห็นใจมันคพิ่มบางทีก็เห็นใจมันสุขบางทีก็เห็นใจมันคิด แต่เพียง ว, ว่าใหม่ๆอย่าเพิ่งไปสนใจมันมากอย่บเพิ่งไปสงสัยนั้นมากหรือบางคนถ้ากำลังสติไม่พอพอจะไปดูความคิดนะ่มันจะเข้าไปอยู่ในความคิดนะหรือเมื่อไปดูอารมณ์บางทีมันจะเข้าไปอยู่ในอารมณ์นะเข้าไปอยู่ในอารมณ์บางคนเช่นเนะี่ยสภาวะบางทีเช่น น้อยใจมือนนะบทีน้อยใจบางทีเราก็รู้สึกนะว่ามันน้อยใจแต่มันก็เหมือนรู้สึกว่ามันเข้าไปเกลื่อนความน้อยใจสดมติครึ่งหนึ่งเห็นมันครึ่งหนึ่งบาทีมันก็จะเข้าไปเกลื่อนบ้างท้าติมันมันกำลังไม่มากยิ่งถ้าคนไม่เตือนเราเราน้อยใจนะแต่จริงใจมันก็เข้าไปอยู่ในความน้อยใจเวลาโกรธก็รู้สึกว่ามันโกรธแต่ทําไมมัน มันก็ยังโกรธอยู่เพราะบางทีเราไม่เพราะเราไม่ได้ดูเฉยเฉยนะมันการเรียนรู้แล้วบางทีเราก็มีความไม่ชอบไม่ชอบที่เราโกรธหรือว่าต้องมีความอยากให้มันหายโกรธเข้าไปเชื้อเลยเรามิรู้เฉยเฉยพอเราไม่รู้เฉเฉยมันก็เลยมันยังมีเชื้อไปเติมกับอารมณ์นั้นเช่นเราไม่พอใจความโกรธ เราอยากให้มันหายโกรธทีเนี้ยไอ้ความไม่พอใจความโกรธที่มันเกิดขึด้นหรือการอยากให้หายโกรธนะคือเชือ้อเหมือนเรบไฟมันไหม้เราต้เติมกระดาษเติมไม้เข้าไปเราคิดว่าไม้จะดับได้จะจริงมันเป็นเชื้ออนะเริ่มแรกเ้องอยงที่บอกว่าอะไรมันเด่นนะเราก็รู้ที่ตรงนั้นนะแต่ตอนนี้เมื่อมันเด่นแล้วนะให้เรารู้ รู้แบบเฉยๆสําคัญมากนะการรู้เฉยๆความโกรธเกิดขึ้นมาก็แค่รู้ความอึดอัดเกิดขึ้นมาก็แค่รู้รู้เฉยๆนี่ยสําคัญที่สุดะแต่ก็เรียกว่ายากที่สุดก็ได้นะเพราะว่ามันมันถ้าเราไม่รู้เฉยๆการรู้อารมณ์เกิดขึ้นมามันจะเจอที่ความพอใจก่อไม่พอใจน แทรกเข้าไปดงนั้นใหม่ๆมันอาจจะไม่ไม่แบบเป็นการเตล้ๆข น, นาดนั้นแต่มันก็จะถ้าเรามีหลักว่าเราจะรู้เฉยๆนะความเีว่าความพอใจหรือความไม่พอใจนะเราจะลดลงนะความอยากจะให้มันอยู่หรืออยากจะให้มันหายนยะเราจะสังเกตมันทันขึ้นการรู้เฉยๆนีสำคัญมากนะเนะนะมื่อเกิดกัจจุบันขึ้นในใจิตใจ ถ้าเราตีนแค่รู้เนี่ยอกุศลก็จะหายไปหรือกุศลเกิดขึ้นมาถ้าเราตีนแค่รู้นะแต่กุศลบางอย่างมันก็ยังอยู่แหละแต่หมายว่าเราไม่เข้าไปอยู่กับมันเช่นบางทีปฏิบัติมีปีติมีความสุขมีความสงบมันก็อยู่นะแต่หมายว่าเราไม่ไปกินเข้าไปอยู่กับันก็เห็นเห็นว่ามันสงบเห็นว่ามันมีปีติอะไรนั่นก็เห็นมันอยู่แต่อกุศลถ้ามันเกิดขึ้นมาถ้าเราเห็นนะมันก็จะหายไ แต่ถ้าเราไม่รู้เฉยเฉยนะ่ะมันจะมันจะไปพยายเป็นจัดการอกุศลนะเป็นจัดการและยิ่งจัดการมากนะมันก็ยิ่งวุ่นนะหรืออกุศลยิ่งเราอยากให้มันอยู่อ่ะบางทีพอไปอยากมากนะมันก็ไม่อยู่มันก็หายไปกนะ็มี น, นมนะอืการรู้กับสภาวะต่างๆรู้แบบเี่เฉยนะ่ะรู้ด้วยใจที่เป็นการเนะนี่ยสามารถที่จะ รู้ร่างกายก็เหมืนกันรู้เฉยๆนะมันไม่ต้องไปคิดอะไรตรงไปมากรู้รู้สึกเฉยอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในใจนะก็รู้เฉยนะรู้ได้เฉยเท่าไหรนะ่น่ะเรียกว่าใจมันเป็นกลางที่สุดใจเป็นเป็นกลางมันจะเกิดสภาวะผู้รู้ขึ้นเกิดสติที่มันตั้งมั่นในการรู้นะไม่เข้าไปอยู่กับสภาวะนะั้น แล้มันก็จะเกิดการแยกหน้าเห็นอ๋อภาวะที่ที่รู้มันคือตัวนี้ไอ้สิ่งที่ถูกรู้มันคือตัวมันส่วนกันแต่จริงมันก็เนื่องได้จากอะไรนะตัวรู้กับตัวที่ถูกรู้มันเกิดขึ้นนะแแทบขนาดเดียวกันก็ว่าได้นะแต่เพีงว่ามันเป็นตันส่วนกันเพราะร่างกายชีวิตของเราเป็นแบบนี้นี่เองเนาะอืมชีวิตเป็นแบบนี้นะี่เองเนาะอ๋่างกายเป็นแบบนี้นะ แต่ถ้าเรารู้เฉยเฉยมันก็เป็นเพียงแค่อาการของร่างกายนะมันก็เป็นเพียงแค่ความทุกข์ของร่างกายนะร่างกายก็เป็นแบบนี้แต่พอเราไม่รู้เฉยเฉยเราลงเนี่ยแหละอเราก็เลยไปปรุงแต่เราก็เลยเป็นผู้ทุกข์นะหลงไปกับเขานะร่างกายปวดถ้าเราไม่รู้เฉยเฉยเราก็เป็นผู้ปวดนะร่างกายมีหิวถ้าเราไม่รู้เฉยเฉยเราก็เป็นผู้หิวนะร่างกาย มันเป็นอะไรถ้าเราไม่รู้เฉยนะี่เราก็จะเข้าไปเป็นด้วยจิตใจก็เหมือนกันนะถ้าเราแค่รู้เฉยๆเราจะเห็นว่าเอใจที่คิดก็เป็นแบบนึงอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นก็แบบนึงแต่ตัวรู้เนะี่ยมันเป็นคนระอะไกั น, ก น, กนความคิดไม่ใช่เราอารมณ์ไม่ใช่เรามันเป็นเพียงแค่สภาวะหนึ่งที่มันเกิดขึ้น แต่พอเมื่อรู้ชื่นะรู้เฉยๆแล้วมันก็ดับไปมันก็จุดไปได้ไอ้คนนี้ให้เราลองสังเกตหรือนะนะให้เรารู้เฉยๆนะแล้วก็นอันนี้อย่างที่สองอย่างที่สามคือให้รู้ตรงที่ปัจจุบันรู้ตรงที่ปัจจุบันคือให้ให้รู้ที่สภาวพที่มันเกิดขึ้นจริงๆตอนนั้น อย่าไปแบบไปย้อนไปดูคือย้อนไปคิดให้กวนเไอ้สภาวะที่มันเกิดขึ้นที่มันผ่านไปนะเนี่ยเช่นสมมุตินะสมมตุติเราได้มีเปลี่ยนขึ้นมาปุ๊บนะเราได้มีเปลี่ยนขึ้นมาปุ๊บแล้วเกิดความซู ม, ม, มัสไม่ไม่พอใจเกิดความไม่พอใจในเปลี่ยนที่นั่นเราไม่ต้องไปย้อนคิดหาเหตุผลว่าทาไมเราไม่พอใจ แค่รู้ทันก็ใจไม่พอใจในขณะนั้นพอนะหรือบางทีพอพอเรารู้ทันความไม่พอใจแล้นะความไม่พอใจมันต่างไปแต่ความดีใจที่เรารู้ว่าเรารู้ทันใจบางทีมันไม่พอใจก็ ใ, จให้เรารู้ที่สภาวะปฏิบัติคือที่ใจดีใจตอนนั้นใช่หรือรู้ที่ปฏิบันเนี้ย น, นะมันจะเห็นว่าสภาวะมันเปลี่ยนะ ไอ้ที่มันผ่านไปแล้วไม่ต้องไปหาหาเหตุผลกันมัาเหมือนมีนักปฏิบัติธรรมเคยถามนะเขาบอมีมีวันหนึ่งเขากะ เ, เลื่อนใต้ว่าเมื่อวานเยเขาโกรธเมื่อวานเขาโกรธ น, นะอันนี้เรียกว่ามีสติไหมเขาบอกนี่นี่ไม่เรียกว่ามีสตินะ่ะมันแค่จําได้เพราะว่าตึ ต้อก็ถามว่าตอนที่รู้ว่าว่าเมื่อวานโกรธนะ่ะใจรู้สึกอย่างไรมันเสียใจเสียใจเราดึงรู้ว่ากำลังเสียใจเนะี่ยคือคือเรียกว่ามีตติอ <c oughs> ไอ้ที่รู้ว่าเมื่อวานโกรธเนะี่ยเมื่อวานมันนานแล้วนะหรือที่จริงจะพง่ายชั่วโมงที่รักนี่ก็คือนานนาทีที่รักก็นานดูตัวนาทีที่แล้วโกรธเนะี่ยอันนี้ไม่ใช่ปฏิบัติปฏิบัติคือเมื่อดูแล้ว มันเกิดอะไรขึ้นต่อเช่นเะสียใจให้เรารู้ว่ามันเสียใจอันนี้แหละคือสภาวะตอนที่ที่เกิดขึ้นที่ปัจจุบันนะหรือรู้มันหลงปุ๊บรู้ได้เร็วนะเกิดความดีใจไอนะ้ที่รู้ว่ามันหลงนะ่ะมันผ่านแล้วนะแล้วตอนนี้นมันดีใจให้เรารู้ทันว่ามันดีใจนะอย่างที่สามนะี่คือรู้ลงไปที่ปัจจุบัน ปัจจบันมันเกิดอะไรขึ้นอารู้ที่ปัจจุบันอย่าไปรู้ที่อดีตหรือไปรู้ที่อนาคตรู้ลงไปที่ปัจจุบันพระพาวะทำอะไรเด่มที่ปัจจุบันให้เรารู้ทันมาที่ตรงนั้นนะนี่คือหลักสําคัญของการมีสตินะถ้าเราถ้าเราปฏิบัติแบบนี้นะได้จริงจรนะมันก็จะเกิดความเกิดการตอบในตัวของเราเองนะแล้วก็ความงเมตตาสงสัยต่างๆนะมัน มันเหมือนพังเลยตรงนะั้มันเหมือนเราก่กอปัะสาทตายหรือบนชายหาดแล้วพอมีความรู้เข้ามาพัดประสาตายหายไปพริบตามันผมนะแต่มันก็จะเกิดไรื่องก่ออีกนะ <c oughs> แต่มันก็บางทีรู้ได้คําตอบข้อเนี่ยคําตอบที่ไม่ต้องไปถามใครนะเหมือนกับรสชาติสารเเนห์ที่เรารู้ด้วยตัวของเราเองมันก็หมดความสงสัยนะ ไม่ต้องอธิบายก็ได้เนี่ยปฏิบัติธรรมนะมันจะมันจะรู้สึกอ่ามันจะร้สึกได้ในสภาวะธรรมแบบนี้เทงานั้นเองนะหรือก็มีบางคนแนละ้วก็ยิ่งสงสัยนะหรือท่านท่านไม่ปฏิบัติยิ่งสงสัยเออถ้าถ้าเราถ้าเราแบบปฏิบัติไปเรื่อยแล้วมันไม่มีความอยาก <c oughs> ไม่มีความอยากเนะี่ย เราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรเรจะมีชีวแบบเป็นอย่างไรนะไม่มีความยากกนะ็เกิดความสงสัยนะก็มีมีนักเขียนนะั่ะถามอาจารย์โควิดนะเกวียนนันานะอาจารย์ว่าถ้าเรามีชีวิตอยู่ไม่แบบอยู่ด้วยแบบไม่มีความยากนะเราจะมีชีวิตอยู่เพื่ออะไรนะอาจารย์โควิดก็พูดประมาณนะั้น ก็เป็นคำถามที่ดีนะครับเป็นคำถามที่ตอบยากอแต่บางทีคำถามนี้อาจจะไม่ต้องการคำตอบก็ได้เพราะว่ายิ่งเราต้องการคําตอบก็คือการที่เราไปจิตมันเป็นยิ่งตนในการที่จะรู้การที่จะหาคำตอบนะไม่ต้องหมุนกันมาก็รู้สึกพอืมจากเพื่อนก็มันใช่มันรู้สึกว่า ทีความสงสัยนี่ต่างมันก็คือการที่เราพยายามจะดิ้นดนที่อยากจะไปรู้ล่วงหน้าหรืออยากจะได้อะไรกอย่างหนึ่งเพื่อมันเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวมันรู้สึกอย่างนั้นเหมือนเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวให้เกิดความมั่นใจแต่จริงพอเราแค่ย้อนกลับมาเห็นความสงสัยปุ๊บนะมันเหมือนเหมือนเรายืนอยู่กับพื้นแต่ไม่ต้องเกาะอะไรมันก็รู้สึกได้เลยว่าการยืนมันมันมั่นคง ไม่เหมือนกัรที่เรารู้สึกตัวเองไม่มั่นคงเราต้องไปเกาะไปกาะคาตอบตอะไรสักอย่างกอะผู้รู้อะไรสักอย่างนึงเพื่อให้เรามั่นคงแต่ถ้าเรารู้สึกว่าเรายืนด้วยความมั่นคงด้วยตัวเองไม่ต้องเกาะใครก็ได้เนะนี่ยความความสงสัยนะมันก็จะหมดไปนะถ้าบางทีกาที่เราไม่ต้องมีคําตอบก็ได้นะในในความสงสัยนั้นนะแต่มพีแค่รู้สึกตัว เฉยๆนะนะคำว่าทำไมคำว่าอย่างไรคำว่าใช่หรือไม่ใช่นะถูกหรือผิดต่างๆนะมันมันจะหมดไปจัดใจของเรานะมันจะรู้ได้ได้วยตัวของเราเองนะปากไว้นะนะนะ